ประการต่อไปนะมงคลข้อนี้ยังไม่หยบเนี่ยอการต่อหลับทำที่ควรศึกษาในมงคลข้อที่14ก็คือหมวดแห่งความเพียรเขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะทํามงคลการงานไม่ข้างค้างให้สําเร็จรุ่่วงไปด้วยดีเนี่ยท่านก็ยกเอาว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงเพียรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสําเร็จไม่ควรจะท้อถอยก็หมายความบอกว่า ถ้าจะส่งเสริมข้อนี้นะมงคลในข้อนี้ได้ก็จะต้องมีความเพียรบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามร่ำไปไม่พึงเบื่อหน่ายนรชนผู้มีปัญญาแม้อันทกถูกต้องแล้วก็ไม่พึงตัดความหวังเพื่อการมาแห่งความสุขเสียดอันนั้นท่านยกตัวอย่างว่าต้องมีความเย็นพยายามนะชนผู้เป็นบัณฑิตพึงรีบทํากิจที่ควรทําก่อนเสียดิบทีเดียวอย่าให้กิจที่ต้องทําน่เบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการ กิจนั้นไม่เบียดเบียนบุคคลผู้มีรีบทากิจที่ควรทำเช่นนั้นในเวลาที่ต้องการเพียรพยายามในกิจทั้งหลายเพราะคนเกียดค้านย่อมไม่พบความสุขได้บุคคลผู้มีธุระกระทาสมควรมีความหมั่นย่อมหาทรัพย์ได้กระหมายความว่าความเพียรพยายามนี้เองจะส่งเสริมให้การงานนั้นไม่ข้างค้างแล้วก็บอกว่า ผู้ปารบความเพียรเนี่ยนะมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้เกียรติค้านมีความเพียรเลวมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีบุคคลเนี่ยบุคคลหนุ่มมีกําลังไม่ลุกขึ้นในการที่ลุกขึ้นเข้าถึงความเป็นคนเกียรติค้านมีความดําบิอันจมเสียแล้วเนี่ยชื่อว่าเป็นคนเกียรติค้านคนเกียรติค้านย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญานี่ท่านก็ยกเอาภาสิทธเกี่ยวกันในเรื่องของความเพียรเนี่ยนีเอาความเพียรเนี่ย มามาสอนบางทีท่านก็สอนท่านสอนผ้านี่จะสอนเยอะเนะียอย่างยกตัวอย่างเช่นนะเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นจงนั่งเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนด้วยโรคคือกีเลสมีประการอะไรต่างๆถูกลูกสอนคือราคา่าตัวสามว่าทิมแทงเยื่ยยับอยู่ไอ้ตรงนี้ก็หมายความบอกว่าถ้าเวลาเราจะเกียรติค้านไม่ จเจริญกุศลไม่อะไรต่างๆเนี่ยเตือนตัวเองตามพุทธพจน์ที่บอกว่าหรือจะมีประโยชน์อะไรกับการนอนเรายังถูกกิเลสถูกลูกศอนคือกิเลสทิ้นแทงอยู่เนี่จะมามัวนอนอยู่ทําไมแล้วก็บอกเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงมันศึกษาเพื่อสันติมัจจุราชอย่าว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วยังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้ลุ่มหลงเลย มัจจุราชหมายถึงความตายทั้งหลายเนี่ยแต่เราโมโหนอนหลับไม่ขวนขวายไม่อะไรต่างๆอะไรนี้เราก็เสียหายแล้วก็บอกจงลุกขึ้นเถิดท่านจะต้องการอะไรด้วยการหลับท่านผู้เล่าร้อนด้วยกิเลสลูกสอนคือตัาหาเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับไมมีประโยชน์อะไรท่านก็เตือนบอกเอยถ้าเป็นพระก็บอกว่าออกบวชจากเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วอ ย, อย่าไปตกอยู่ในอำนาจของความหลับไหลเป็นต้น น, นี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นมงคลนะนะ อภิการต่อไปก็คือการมงคลข้อที่15การให้ทานทานนันจานเนี่ยในยเรื่องของทานนันจานเนี่ยคำว่าทานเนี่ยอัธยาศาัยของคนเราเ น, เนี่ยมันมีสองจำพวกสองกลุ่มก็คือเห็นแก่ตัวอัธยาศัยแคบมีความโลภเป็นนิสัยจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือจะเอาอยู่ล่ำไยมุ่งกอบโคยเนี่ยนียอันนี้ประเภทหนึ่งไม่เบื่อแผ่ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า เน้นในการที่จะให้จะเผื่อแผงแล้วก็ดูสัะเกตดูใจเราว่าเป็นคนกลุ่มเนคืออธัธยาศัยในอดีตทุกคนก็มีสั่งสมมาบางคนก็มีอธัธยาศัยที่ความโลภแรงบางคนก็มีอธัธยาศัยความโลภไม่มากอันนี้ก็ดูมีอยู่สองกลุ่มทานการแบ่งปันนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสังคมเยนยะคนมีเงินคนมีอันจะกินอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ถ้ารู้จักการให้ การเผื่อแผ่นี้ก็จะช่วยได้ท่านแบ่งบอกเป็นอามิสทานการให้วัตถุสิ่งของแกบุคคลอื่นทำให้ผู้รับเกิดความยินดีแล้วมีสุขกายสุขใจส่วนธรรมทานการให้คำสอนนะ่นนะแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติต่างๆในทานสองประการนันน่นะธรรมทานก็ต้องประเสริฐกว่าอามิสทานทีนี้ในทานประเภทแรกนั้นก็ยังแยกเป็นสังฆทานแล้วก็ปาติปุคะลิกทาน ถ้าสังฆทานก็คือเป็นการให้ทั่วไปทั้งหมู่คณะเป็นประโยชน์อย่างภัยสารนำนวยประโยชน์สุขให้แก่สงฆ์แก่ส่วนรวมส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติธรรมบำรุงโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นส่วนปาฏิปุขาลิกทานก็คือเจาะจงสถานที่สถานบุคคลทีนี้ในบรรดาทั้งสองประเภทนั้นเนี่ยการให้ทานจะมีผลมาก แลน้อยนั้นต้องประกอบไปได้วยคุณลักษณะก็คือว่าคุณลักษณะของผู้ให้ปุบพาเจตนาก่อนให้เจตนาในก่อนให้ก็ต้องดีมูนจนะเจตนากำลังให้ก็ใจก็ต้องผ่องใสอัปปาราเจตนาหลังจากให้เสร็จแล้วใจก็ต้องเบิกบานเนี่ยนะส่วนคุณลักษณะของปฏิคา6ก็คือว่าเป็นผู้ปรลาศจากราคะ 1. เป็นผู้ปราศจากโทสะหนึ่ง เป็นผู้ประหลาดจากโมหะหนึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นไปลักษณะอย่างนี้อ น, นิสนงฆ์มาเยอะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานอันประกอบด้วยคุณลักษณะหประการนี้มีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากมีผลนับไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนน้าในมหาสมุทรคานวณการไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ทานที่พร่างพร้อมด้วยคุณลักษณะดังที่กล่าวย่อมเป็นที่หลั่งไหลแ ห, ห่งบุญนําความสุขมาใเพราะฉะนั้นนะบุคคลจะทําบุญให้ทานหวังผลมากก็ต้อง สังเกตเจตนาสามประการของเราเองเนะี่ยก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังแล้วก็เออท่านผู้นี้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อจะละลาค้าโทสะโมหะเป็นต้นหรือว่าปราศจากราค้าโทสะโมหะได้ยิ่งดีเนี่ยนะทานการให้ปันเนี่ยโดยลักษณะมีอยู่สามอย่างให้สงเคราะห์เนี่ยอันนี้เป็นการยึดเหนี่ยวน้ําใจถ้าให้สงเคราะห์แบบยึดเหนี่ยวน้ําใจก็เช่นให้บุตรให้ ให้ลูกหลานให้ญาติมิตรให้สามีภรรยาเป็นต้นอันนั้นก็คือโดยมากทุกคนก็เคยให้เกิดมาแล้วก็ให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เราจะนึกว่าเป็นทานหรือว่า เ, ออเจตนาเราจะสำทับลงไปว่านี่เรากําลังส่งเคสเราให้เป็นทานนี่เราทําบุญเราหนึ่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันเป็นบุญแต่โดยมากเหมือนก็ได้คิดอะไรให้ไว้บ่นอันนี้ไม่ได้ประโยชน์ให้ได้บาปให้ได้โบนบุญก็ได้แต่บาปก็ได้เนอะ เอาเอาไปทีหลังหัดใช้อะไรโอโบนอย่าเป็นงันหรืยเว่าเวลาจะให้ให้ก็ทำจใจบอกว่าวันนี้เราจะทําบุญว่างนะั้นนี่เราให้เราจะทําบุญแต่เราไม่ใช่จะให้ทุกครั้งนะอยู่ที่เราจะมีศรัทธาหรือไม่แค่นี้ก็ใจเหนาแล้วใช่ไหมเพราะไอ้เรื่องการให้มันอยู่ที่ศรัทธาของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําตามหน้าที่นี่เราให้เพราะเรามีศรัทธาเราต้องการบุญนึ่นนั่น ก็แนะนําก็หน่อยบอกว่าเนี่ยกลัวจะได้มาแต่ละบากแต่ละสตังเนี่ยทำมาได้เรี่ยวแรงเจตนาก็ทําเป็นบุญทั้งนะั้นพูดอย่างนี้เขาก็นึกในใจโอ้โหเราจะใช้อะไรก็ต้องคิดใหมากนี่เขาเรียกว่าการส่งข้อบุตรภรรยาเป็นต้นการให้ด้วยอนุเคราะห์เช่นให้ด้วยเมตตาการุณอยากให้ผู้รับมีความสุขมีความเจริญพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เรียกให้ด้วยเมตตาจิตก็ได้ให้ด้วย ให้ด้วยจิตกรุณาก็ได้มีความระับความปรารถนาดีให้หรือกรุณาเห็นคนคนนี้ประสบทุกข์เราก็ให้อันนี้ไม่จําเป็นต้องญาติให้ก็ได้ไอ้แม้ว่ามีเมตตาเป็นตัวขับเคลื่อนมีกรุณาเป็นตัวขับเคลื่อนอันนี้คือประการที่สองประการที่สามเนี่ยให้เพื่อบูชาคุณเช่นเคารพนับถือพ่อแม่ครัวญารย์เป็นต้นก็บูชาด้วยการให้ให้ข้าวให้น้ําให้สิ่งของอะไรต่างๆ เห็นไหมมีสามลักษณะให้แบบให้พี่ให้น้องให้แบบสงเคราะห์ทั่วไปให้แบบเมตตากรุณากระ บ, บุคน์ทั่วไปเมตตาอย่างหนึ่งนะมีความรักปรารถนาดีแล้ให้หรือเกิดสงสารแล้วก็ให้ส่วนประการที่สมก็คือบูชาคุณของด้านเหล่านั้นก็ให้พึงทราบว่าสัตว์บูลูดนี่นะคือคนดีทั้งหลายเนี่นะมีอัธยาสายัยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีนิสัยเลือกให้สิ่งที่ดีเลิศไม่ห่วงใ ย, ยในสิ่งที่ให้แล้ว มีจิตใจสุขุมมีจิตใจที่เสียสละอย่างไม่มีใครเท่าเทียมได้ทานการให้ปันของสัตว์บลูดเน้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้หประการเออลองดูว่าคนที่เป็นสัตว์โบลูดเขาให้ทานเขาให้ได้ยังไงประการแรกก็คือว่าให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธาทานนางหนึ่งให้ให้ด้วยศรัทธ า, าทําไมถึงให้ด้วยศรัทธาเขาเชื่อว่าทําดีได้ดีทําช่วได้ชั่วเชื่อผลของกรรมดีผลของกรรมชั่วเป็นผู้กระทา ต้องติดสอยให้ตามผู้ทำเหมือนเงาตามตัวท่านแสดงผลของการให้ด้วยศรัทธาว่าเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์สมบัติมากเป็นคนรูปสวยน่ารักน่านีเยมเป็นต้นอันนี้เขาเรียกให้ด้วยศรัทธาเขาเชื่อกรรมผลของกรรมเขาให้อันนี้สทานของสัตว์เุยประการที่สองนเนี่ยนะให้โดยความเคารพให้ด้วยกายที่นอ้อมน้อมละมุมละม่อมให้ด้วยวาจารไพเราะอ่อนหวานให้ด้วยจิตใจมิตรียงงามทะ ฐานแสดงผลของการให้ด้วยความเคารพว่าจะเป็นคนมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากลูกหลานญาติมิ้นก็เชื่อฟังก็ผลเนี่ยนะตามบอกว่าถ้าให้ด้วยศรัท ธ, ธาจะมีทรัพย์มากเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีรูปสวยน่ารักถ้ามีศรัท ธ, ธาเชื่อกรำบุญกรรมแล้วให้เนี่ยนะแต่ถ้าให้ด้วยการนอบน้อมด้วยกายวาจาด้วยใจแล้วจิตใจเรานอบน้อมด้วยเราให้อันนี้มั่งคั่งด้วยมีโพคาสมากด้วย เออเกิดมาถ้ามีลูกหลานเนี่ยเขาเชื่อหมดเลยเออเราแล้ก็ลองคิดดูนะว่าในอดีตเนี่ยกรรมในอดีตเราทํามาดีหรือไม่ดูว่าเราให้ทานโดยเขาลบเออด้วยด้วยความนอมน้อมหรือไม่ก็ดูว่าเราเกิดมาเนี่ยลูกหลานเชื่อถือเรามากมั้ยเออถ้าบอกใครเขาเชื่อถือหมดเลยเนี่ยนะแค่ไม่ต้องอะไรเราบอกนิดๆหน่อยๆแค่เหลียวสายแลกว่าอูยคนนี้เชื่อฟังมีลูกหลานเชื่อฟังก็ไม่แข็งกระด้างแสดงว่าเราเนี่ย ให้ทานด้วยความน้อมน้อมแต่เขากว่าโอ้โหพูดคําเถียงสามคำนี่อันนี้อันนี้ต้องกลับไปพิจารณามิจะไปโกรธลูกหลานนะมิจะไปโกรธลูกหลานให้นึกตำตีตัวเองพูดให้เขาได้ยินก็ได้นี่แหละชาติที่แล้วอยากไม่ให้ด้วยความน้อมน้อมเพราะว่าใครถึงไม่มีใครเชื่อกูเลยกูเนี่ยไม่มีใครเชื่อเล่าเลยพูดงี้โกรธ พูดนี้ก็เอะใจเอ๊ะทำไมว่าตัวเองหนึ่งประการที่3ก็คือให้ทานตามการคือให้ในการสมควรเช่นให้ในวันพระวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาในงานมงคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าการลทานประการที่4ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความโอบอ้อมอารีด้วยมิตริจิตอุดหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความกรุณา ท่านแสดงผลของการให้ตามการและจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบัติมีความประสงค์เต็มเปีย่ยมและให้ทานไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นคือให้ตามกำลังของตนที่มีอยู่และไม่รบกวนคนอื่นมาให้ทานท่านแสดงผลของการให้ข้อนี้ว่าเป็นคนมั่งคัง่งมีโภคาสมบัติมากแล้วก็ยังป่าสจากภัยด้วยไม่ถูกไม่ถูกยึดซัพย์ทไงไม่ถูกยึดซัพ ถ้าไปให้แบบกระทบตนจะยกตัวยอย่างเช่นไปไปโกงคนอื่นมาไปให้ทานเดี๋ยวถูกยดึดทรัพย์ทั้งๆ ท, ท, ที่มาทําบุญเนี่ยนะแต่ทานนั้นไม่มั่นคงเวลามีสมบัติเบ็ดเสร็จไม่ถูกยึดก็ถูกโจรปล้นไม่ถูกโจรปล้นก็ไฟไหม้น้ำท่วมอยู่เงี้ยนะหรือว่าทายาทไม่ดีลักเข้าไปซะอีกก็โจรปล้นนั่นแหละรหรือทายาทไม่ดีมาทําให้วิบัติเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าให้ทานแบบ กระทบตนกร ะ, ระทบผู้อื่นกระทบตนกระทบผู้อื่นกระทบตนก็หมายความว่าทานก้นโดยยังไม่ดีแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นไหมให้ทานเคยไหมดิฉันเองไม่รู้เบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้ชอบบงังคับให้คนอื่นให้ทานงทีกับพี่น้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาคําสอนเนี่เนี่ยเอามาบาทหนึ่งเอามาห้าบาทเอามาสิบบาทอะไรไปบอกเขาออเลยเบียดเบียนเบางทีเขาก็าาไม่อยากให้นะ บอกอเฮ้ไม่ได้ <c oughs> อเอามาดูส่วนเบียดเบียนเขาอย่างนีนน้ไม่รู้แต่เงี้ไม่ได้เบียดเบียนน่ยไม่บอกถ้าเบียดเบียนยนี่ก็หมายความว่าหาอุบายวิธีอย่างนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นอย่างเงี้ยให้ทานด้วยศรัทธาให้ท า, านด้วยความเคารพให้ทานตามการให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ให้ทานไม่กระทบกระทั่งตนและบุคคลอื่นอันนี้เป็นทานของสัตว์บุรุษห้าประการเนี่ยนะที่กานกล่าวว่าทีนี้ทานสมบัติเนี่ย การให้เนี่ยทางศาสนาท่านมุ่งหมายสองประการให้เพื่อคุณเช่นการแบ่งปันอาหารให้แก่คนบ้านใกล้เดินเคียงให้ของขวัญตลอดจ่าการเลี้ยงมิตรสหายให้เพื่อทําคุณให้เพื่อทําคุณก็ อ, อย่าอย่าเพิ่มคุณให้ตนเองให้เพื่อทําบุญ เออให้เพื่อทําคุณกับให้เพื่อทําบุญก็ลา อ, อย่างกันนะถ้าให้เพื่อทําบุญก็บเป็นการให้เพื่อถอดถอนความเห็นแก่ตัวออกจากใจออกจากใจกตใจเนี่ยทาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดครอบถ้วนด้วยฐานนะสมบัติสประการเนี่ยหนึ่งวัตถุบริสุทธิ์สองเจตนาบริสุทธิ์สบุคคลบริสุทธิ์อ่าสองประการนี่ก็ไปเลือกเฟ้น เ, เนว่าเราให้เพื่อทําคุณกับให้เพื่อทําบุญมีทุกคนนะ ถ้าวัตถุบริสุทธิ์หมายถึงสิ่งของที่ทําบุญได้มาโดยสุจริตสได้มาโดยกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์ก็คือเจตนาเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์มุ่งเพิกถอนความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจ 3. ก็คือบุคคลบริสุทธิ์หมายถึงผู้ให้และผู้รับเป็นคนบริสุทธิ์มีศีลธรรมชั้นภูนธรรมของตนโดยเฉพาะผู้รับทายาธรรมเนี่ยนะ ควรเลือกผู้มีบุญรำในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนว่าให้ภิกษุเป็นต้นเหล่านี้พราะพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกทําบุญแก่ภิกษุสองผู้ปฏิบัติหรือศึกษาวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นต้นสรุปความก็คือว่าทานการให้ปันเนี่ยนะผู้ให้เป็นที่รักที่ชอบใจของคนหมู่มากบัณฑิตยกย่องสรรเสริญแล้วก็ ให้ผู้ให้ย่อมรักษาเมตียไว้ผู้มีปัญญาให้ความสุขย่อมได้รับความสุขผู้ให้ของที่เลิศ ก, ก็ย่อมได้รับผลที่เลิศผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐก็ได้ฐานะที่ประเสริฐการให้ทานทําให้จิตใจของผู้ให้ใสสะอาดจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นปัจจัยสนับสนุนการบําเพ็ญทานคิดอ่านทำมาหากินเป็นผู้น้อยน่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพ เป็นต้นเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นมงคลที่สูงสุดเออหมวดธรรมเนี่ยนะที่ควรเอามาส่งเสริมในข้อนี้ก็คือว่าควรให้ทานควรทำบุญควรทำบุญอุปการะแม้เทวดาแม้มนุษย์แม้บ ร, รพชิตจงให้ทานเสียก่อนจึงค่อยบริโภคเออบางสูตรเนี่ยนะก่อนจะกินอาหารให้นึกก่อนว่าเราให้อะไรท่านทั้งหลาย ให้ทานตามสติกำลังและได้บริโภคทานแล้วไม่มีใครตีเตียนได้ย่อมเข้าถึงสักขะสถานคือเข้าถึงโลกสวรรค์นั่นเนีบุคลคลควรแบ่งของน้อยให้ตามน้อยสมมุติถ้ามีน้อยอ่ะก็แบ่งสรุปก็คือท่านสอนให้แบ่งน่ยถ้ามีน้อยก็อย่าให้ใครเลยมันมีน้อยก็ <c oughs> ให้สอนให้แบ่งไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าคิดอย่างเงี้ยอยากถือว่าใจไม่ให้เพราะมันมีน้อย แบ่งๆ ใ, ให้ตามน้องเพราะว่าคือการเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เนี่ ย, ยก็กภาสานไมตรีประสานมิต ร, รเพราะว่าดนส่วนจริงเดี๋ยวเราก็ไปแล้วมันเหมือนว่าเรามาสร้างฐานนะเราจะได้ไปรับตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมควรแบ่งของตามปานกลางให้ตามความปานกลางควรแบ่งของมากให้ตามมา ถ้ามีน้อยแบ่งน้อยมีปันกลางแบ่งปันกลางมีมากก็แบ่งมากการไม่ให้เสียเลยย่อมไม่สมควรจงให้ทานด้วยจงบริโภคด้วยผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่มีความสุขกินคนเดียวไม่สุขใช่ไหมฉนั้นเวลามีอาหารอนถ้วยสักนี้ยในใจแล้กินคนเดียวไม่สุขใช่แบ่งให้ออกไปทานด้วยอะจะมีความสุข ถ้ามีน้อยก็น้อยถ้าปานกลางก็ปานกลางถ้ามีมากก็แบ่งมากถ้ามีมากแบ่งน้อยไม่ถูกมีมากแบ่งน้อยไม่ถูกอันนี้ตามตามคำสอนในออในโกศยาชาดกบุคคลควรแบ่งของน้อยให้ตามน้อยควรแบ่งของส่วนกลางให้ตามส่วนกลางแบ่งของมากให้ตามมากการไม่ให้ย่อมไม่สมควรจงให้ทานจงบริโภค เพราะว่าผู้บริโภคคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขในชาดกนะโภกรัพั์ทั้งหลายเนี่ยนะถูกโจรลักไปถูกพระราชาลิบไปถูกไฟไหม้เสียหายอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นเจ้าของย่อมละทิ้งสรีละร่างกายกับทั้งข้าวของเพราะความตายนักปราดทราบเพีย น, นี้แล้วพึงใช้สอยบ้างให้ทานบ้าง คันให้ทานและใช้สอยตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกตีเตียนย่อมเข้าถึงสถานนะ่ะคือโลกสวสรค์ป็นเป็นยี้เนะี่ยมันมันมันมีทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยให้ระวังเขาไว้ถูกโจรลักถูกพลาชาลิฟภาษีทุกวันนี้ก็คือภาษีขนาดจะเอาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาษีมาดูขนาดไหนวิธีลดภาษีให้น้ยอยทายังไงก็ต้องดนดนด น, ดนลิฟอยู่เ น, นนะี่ย แล้วก็ถูกไฟไหม้หรือว่าเราเองทิ้งสรีละก็คือทิ้งสมบัติด้วนะทิ้งสมบัติใช่ไหมจากนั้นนักปราชญ์เขามองตรงนี้เขาทะลุหมดแล้วปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อยุให้กำลังก็ได้กำลังให้วันนะก็ได้วันนะให้สุขปฏิพานจะเกิดหนะ้าที่ใดๆเป็นผู้มีอายุมียศให้อาหารชื่อว่าให้กาลังให้ผ้าชื่อว่าให้ วันะให้เสื้อผ้านี่นะให้ยาณะภาณะชื่อว่าให้ความสุขรองเท้าให้ลมเป็นต้นให้ประทีปของไฟชื่อว่าให้จักสุขรือแสงสว่างผู้ที่ให้ที่พักพึงอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างให้ที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตตาธรรมผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ําและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัตว์โบลุษทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจเออถ้าได้ให้ของที่พอใจก็ ผลลัพธ์ก็จะได้ของที่พอใจบุคคลให้ทานไม่ได้คนที่ให้ทานไม่ได้เนี่ยนะได้เหตุสองประการหนึ่งความตนันหนีสองความประหมันบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนตันหนีกลัวยากจนย่อมไม่ให้ย่อมไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวจนนี่แหละเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้ คนจะหนีย่อมกลัวความอยากข้าวอยากน้ําความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนพานทั้งในโลกนี้อะไโลกนึงเ อ, อ้ยิ่งกลัวยิ่งนะยิ่งยิ่งตะหนียิ่งจนแปดพราะเพราะเราจะหนีเราก็ไม่ให้ใช่ไหมไอ้ที่ไม่ให้เนี่ยต่อไปยิ่งจนเลยแน่นาคนยิ่งจนใหญ่เลยเ อ, อแปลกดีนะยิ่งให้ยิ่งรวยจดพระราชดำรัสในหลวง คือคือนึกขึ้นได้ตอนนั้นน่ะได้ยินในด็อกเตร์ซเมตันตีเบชกุลก็ไปทํางานอยู่เอ ก, กับในหลวงนึ่ตอนนั้นทางทางรัฐบาลก็ส่งไปส่งให้ดรเนี่ยซูเมตเนี่ยไปทํางานร่วมกับนายหลวงเออไปไปอยู่รับใช้ในหลวงอย่างนั้นะพอเข้าไปหาในหลวงก็ทรงตัดบอกว่าขอบใจนะที่มาทางานร่วมกับเรา บอกว่าไงเราไม่มีอะไรจะให้น อ, นอกจากความการร่วมกันทำงานคือเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากการร่วมกันทำงานในอานที่จะมอบความสุขให้กับบุคคลดนแค่นี้คือพระองค์บอกว่าไม่ไม่มีอะไรจะให้รนอกจากการจะร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงานที่จะมอบมอบความสุขให้กับบุคคลดู แขาบกว่าตั้งแต่นั้นมาก็าแกทํางานมาแกก็นึกพอท้อที่ไรแกก็นึกถึงคำนี้ในวันที่พระองค์จะผ่าตัดใหญ่เนี่ยแ้วก็มาเล่าตอนนั้นไอ้พายุก็กลังจะเข้ามาในประเทศไทยอยู่สองลูกเลยท่านจะมีเหม็นเหมือนจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆดูพายุตลอดเวลาสามชั่วโมงจะจะเข้าผ่าตัดอยู่แล้วยังไม่ได้ใส่ใจร่างกายตัวเองเลยเนะ ยังใส่ใจว่าพายุจะเข้าออยเ่ยีนี้พอจะจ ะ, จะถึงเวลาผ่าตัดจริงๆก็สั่งสั่งให้เอาไอ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องดูดูดูดูดพายุให้ไปติดตั้งไว้ในในในโงรงพยาบาล ท, ทั้งหมดเลยที่ห้องห้องหลังผ่าห้องวักฟื้นเนี่ว่าผ่า ต, าดตัดไปเสร็จเนี่ยท่านก็ไปนอนบงการอยู่งี้ยนะค่อยสั่งกันบอโอ้โ ห, โหนี่ดูใจอ่ะเนะย ทำนมานั่งนึกหรว่าอย่างเราเคยทำงานขนาดนั้ น, นทำงานแบบไม่ค่อยมีเวลาพักแล้วถึงเวลาปฏิบัติปฏิบัติด้วยในในหลวงของเราเนี่ยเจริญอาณ า, าบานะและปฏิบัติสอนกรรมาฐานปูผ้าขาวนอนกับพื้นธรรมดา เ, เหมือนเหมือนเป็นพระโบริสัต์เหมือนอย่างนั้นฉะนั้นคนตนหนี่เนี่ยกลัวภัยใด้ย่อม ให้ทานไม่ได้ภัยนั้นนั่นแหลย่อมมีแก่คนตนีผู้ไม่ให้ทานคนตนีย่อมกลัวความหิวและความกระหายใดความหิวและความกระหายนั้นย่อมถูกต้อง ค, คนตนีนั่ น, น, นแหลผู้เป็นคนพานทั้งในโลกนี้โลกหนะ้าฉะนั้นเนะี่ยบุคคลคนกําจัดความกหนีและสนิมในใจคุณให้ทานเถิดเพราะบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสาธิตทั้งหลายในโลกนะั่นั้นถ้าตนีเรากลัวภยนะัยเนี่ยไม่ให้ใช่ไหมไอ้ไอภ้ภัย คือความตนันนีคือการไม่ให้ก็จะถูกต้องเขาเองแล้วก็บอกว่าคนตนีกลัวก ว, กว่าความหิวในที่สุดความหิวก็เข้าไเปเบียดเบียนเขาเองออาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ให้ทานใช่ไหมไม่ให้ทานก็ไปเกิดหน้าที่ใดก็หิวเลยเดี๋ยวแล้วก็ไม่มีสมบัติอยู่อย่างอดอย่างแกล้งแขนก็ลําบากก็ทํำลายตัวเองใช่ไหมทํำลายตัวเองให้เราลองดูอย่างสุนัขนะไปดูสุนัขเนะี่ย กว่าเขาจะได้อาหารเนี่ยโหเขาต้องลําบากมากเนะี่ยอุ้ยกระดิกหางกระดิกหูกว่าเนะ้อคือพยายามทําดีทุกอย่าง อ, ะอ่ะเออไอตัวไหนวิ่งมาใกล้ต้องเวกโดดกัดตัวนั้นตัวนี้คือจะจะทําให้เจ้านายรักอะ่ะมันทําให้ถูกใจกันแล้วยิ่งทำเราก็ยิ่งไม่ค่อยชอบนิสัยพงแม่ที่จริงเขาจะทําให้เรารักเขาในะว่าเขาเนี่ยหน่าให้อาหารนะอนะไรเงี้ยเนี่ย เขาต้องการอย่างนี้นีน่เป็นนี่ก็คือหมวดเกี่ยวกับเรื่องของทานคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนดันหนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทําการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นก็เข้าถึงนรกมีกําเนิดสัตว์เดรัจฉานถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลของคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความร่าเริงสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสบ ต้องประสงค์สิ่งใดแก่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ให้สิ่งนะั้นด้วยความปรารถนาเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็มีทุกขติเป็นที่ไปเป็นต้นเรานนะไอ้ตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการการความตนีการไม่ให้เนะีนะ่ยนก็เป็นผลเสียเสียให้กับตนเองนี่จริงๆก็เลยเป็นโทษที่นี้พอพูดถึงในเรื่องของทานเนะีนะ่ยนประการต่อไปก็ต้องดูเกี่ยวในเรื่องของศีล ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดของคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งปวงท่านก็สอนบอกว่านอกจากทานแล้วก็พึงชําระศีลให้บริสุทธิ์สังวารศีลเป็นเครื่องกั้นทุจริตทาจิตให้ล่าเริงเป็นท่าเป็นที่อย่างลงดังนั้นในมงคลข้อนี้ท่านสอนเกี่ยวในเรื่องของศีลด้วย ศีลเป็นกำลังอย่างเลิศเป็นสเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยมเป็นพานะอันประเสริฐยิ่งนักเป็นเครื่องหอมปุ้งไปทั่วสานุทิศคนพาลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วก็ประสบทุกข์ในอบายภูมิศีลเนี่ยเป็นยอดผู้มีปัญญาผู้สูงสุดในโลกย่อมชนะใน ความชนะในมนุษย์ในโลกในเทวโลกถามว่าจะได้อัตภาพในการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นก็มีศีนั่นเองเป็นเครื่องเป็นเครื่องรักษาอันนี้เป็นมงคลในข้อที่15บหท่านที่สอนเกี่ยวนในเรื่องของทานการให้แต่ท่านก็นเน้นลงว่าทำที่อุปการะแก่ทานเป็นต้นก็ต้องมีศีนี่เป็นตนน้นประการต่อไปก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของมงคลนงในข้อต่อไป ก็หมายความบอกว่าการประพฤติธรรมพรหมจริยธรรมเนความประพฤติธรรมในมงคลข้อ <the> น <breathing form>. ี kind of ้ท่านแบ่งหลักกว้างๆไว้แปลว่าธรรมจริยาเนี่ยความประพฤติธรรมซึ่งหมายถึงการตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10บกุศลกรรมบท10บก็คือว่ากายสุจริตสามวจีสุจริศสีมโนสุจริศสามการตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้เขาเรียกว่า การประพฤติธรรมการประพฤติธรรมเนี่ยคือประพฤติอย่างไรการประพฤติธรรมเนี่ยวางหลักง่ายๆไว้สองสถานก็คือว่าประพฤติเป็นยุติธรรมและประพฤติเป็นสุจริตธรรมถ้าประพฤติเป็นยุติธรรมก็หมายว่ายุติธรรมนี่คืออะไรการยึดหลักถือหลักษารักษาหลักที่เที่ยงตรงแน่นอนโดยถูกต้องเนี่ยนะ ความซื่อสัตย์ความเที่ยงธรรมความอย่างรู้นี่คือความยุติธรรมบุคคลผู้ประพฤติเป็นยุติธรรมได้แก่บุคคลเช่นไรบุคคลผู้ยึดเที่ยงตรงแน่นอนถูกชอบในส่วนให้ความมีความเป็นของมนุษย์ธรรมให้เขาบอกบอ ก, บอกว่าอย่างนี้ว่าความยุติธรรมในบุคคลผู้ประพฤติ โดยความเป็นยุติธรรมเนี่ยหมายความว่าบุคคลผู้ประพฤติเป็นยุติธรรมแม้จะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ใดก็มีใจเป็นยุติธรรมยุติธรรมเนี่ยถ้าหากว่าทางทางการตัดสินก็บอกว่าเอาการยุติแต่แต่ในทางศาสนาไม่ได้ไม่ได้จัดอย่างนั้นเลยถ้าทางโลกเนี่ยเขาก็สู้คดีกันใช่ไหมสู้กันไปสู้กันมาก็คือว่า มันหมดทางที่จะสู้แล้วมันก็ยุติอันนี้ก็เลยเรียกว่ายุติธรรมแต่บางทีมันไม่ยุติทีนี้ไอ้คำว่าจะยุติธรรมหรือไม่เนี่ยต้องถูกต้องตามทํานองของธรรมยุติธรรมเนี่ยนะตั้งใจเที่ยงตรงแน่นอนถูกชอบแล้วก็ความเป็นธรรมเนี่ยดังนั้นการประพฤติธรรมที่ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเหตุให้บุคคลเนี่ย จเจริญก้าวหน้ามีเกียรติยอดมีเกียรติคุณมีเกียรติศักดิ์เลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่ละเมิดธรรมคือยุติธรรมเพราะรักชังกลัวและโง่เขาเกียรติคุณยอดและเกียรติศักดิ์ของผู้นั้นก็ย่อมเด่นดุดดวงจันทร์เปล่งแสงและบอกถ้าจะยุติธรรมหรือไม่เนี่ยก็ต้องเอาอาคติสี่ไปจับไม่ลำเอียงเพราะเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัว ไม่ลำเอียงเพราะโง่หรือเพราะไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะกลัวเพราะโง่เพราะโกรธเป็นต้นนั้นถ้าปราศจากอคติอันนั้นถึงจัดว่าเป็นเป็นยุธทธธรรมการประพฤติเป็นสุจริตธรรมเนี่ยก็คือการประพฤติกุศลกรรมบทสิบนี่นะก็มีกายสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตสุจริตธรรมเนี่ยยังเป็นความดีของมนุษย์ อันนี้เป็นมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลถ้าหลักสุจริตก็คือแยกขยายไปได้สรุปความตรงนี้เลยก็คือว่าธรรมัจจริยาที่จำแนกออกความบะพฤตธธ ร, รมเนี่ยนะที่จัดว่าเป็นมงคลเนี่ยเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติตัวผู้ปฏิบัติยังเป็นมงคลแก่ผู้อื่นและก็เป็นมงคลสาหรับครอบครัวเป็นต้นเหล่านี้ด้วย ทีนี้หลักธรรมที่สมควรศึกษาเพื่อส่งเสริมมงคลในข้อนี้ก็คือว่าความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขการส่งข้อหมู่คณะนี่ความพร้อมเพียงให้เกิดสุขความยินดีในการพร้อมเพียงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นหมวดธรรมในการที่จะเอามาศึกษาเพื่อให้เกิดความสุจริตโดยคำว่าประพฤติธรรมในข้อนี้ท่านเอาสุจริต0ิเอากุศลกรร ม, มวสิบมาตั้งก็จะไม่ขยายเชิดชูไปเยอะ มงคลข้อที่สิเจ็ดการส่งข้อญาติญาดการนั่นจะสังกโหเนี่ยนะส่งข้อญาดญาตินั้นนะนะโดยใจความก็คือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเอาใครบ้างอะ่ะมีพ่อแม่ถ้าจะนับกันเนี่ยนะเขานับอย่างนี้เอาทวดเอาปู่ญาตาิตายายพ่อแม่ลุงป้านะอาลูกหลานแล้วก็ถึงเหลนอันนี้เขาเรียกว่าญาติทางสายเลือด อันนี้ถ้าใครนับถูกวงคนนับญาติไม่ถูกเอาทวดเอาปู่เอาย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้นาหลานเอาถึงเลนเนาะเขานับกันได้กันนี้นอกอย่างนั้นนับไม่ถูกพระก็นับไม่เป็นนับได้กันนี้ส่วนคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเนี่ยนะมีความสนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงบ้างโดยสนิทเหมือนญาติเนี่ยนะนี่คือญาติทางสายธรรม การไม่มีญาติมีผลเสียหายอย่างไรเนี่ยบางคนอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่มีญาติท่อมล้อมช่วยอ<ม>ุ้มกุ้มครองทำให้คนมุ่งร้ายไม่เกรงกามเหมือนกับต้นไม้ก็บอกต้นไม้นถ้าอยู่โดดเดียวจะถูกพ า, ายุพัดค้นล้มได้ง่ายคนที่ไม่มีญาติก็อย่างนั้นถ้าคนมีญาติเยอะๆเนี่ย ก, ก็ดูแข็งแรง การมีญาติมีผลดีอย่างไรก็บอกว่าบางคนญาติพ่้อมล้อมเยอะรวมใจกันบำรงวงตระกูลให้ความเจริญเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยย่อมเป็นที่นิยมนับถือของสังคมรวมทั้งจันหลงวงสาคณาญาติที่หนานเนี่ยเป็นที่เกงขามของบุคคลที่จะมุ่งรายด้วยเหมือนกอไผ่เนี่ยที่มันหนาแน่นดูมั่นคง ไม่มีใครเข้าไปตัดได้ไงไง่ะวิธีส่งข้อญาติพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสอนให้เราส่งข้อญาิซึ่งการส่งข้อญาดเนี่ก็คืออุบายเกาะเกี่ยวเนียวล้างน้ําใจ ญ, ญาติให้รวมกันเป็นกลุ่มการเคารพนับถือกันแต่วิธีการส่งข้อญาติในสังมงคลข้อเนี้ท่านหมายถึงการส่งข้อญาติโดยญาติธรรมคือการแสดงกริยาวาจาสุภาพต่อกัน ประพฤติสม่ำเสมอยกย่องโชดชูกันและกันเอือ้อเฟื้อเผื่อแพ่เชื่อฟังกันคือว่าดูกันตามฐานะผู้ใหญ่ผู้น้อยอันนี้เขาเรียกว่าส่งข้อยากทีนี้การแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันเนี่ยญาติผู้น้อยก็ต้องแสดงวาจาหรือความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลควรวางตัวให้เหมาะสมน่าเคารพนับถือในเรื่องการใช้ถ้อยคำเช่น ใช้คำที่สุภาพแสดงความเคารพความยำเกรงกระตุ้นผู้ใหญ่ให้เกิดความเอ็นดูกรุณาปาณีกันเน่ยนะผู้เสมอกันก็ควรพูดกันด้วยถ้อยคำสุภาพแสดงอัธยาศัยแสดงเป็นกันเองฉันพี่น้องให้เป็นที่สนิทสนมกลมกเดียวลักษณะอย่างนี้เป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของวง์ตระกูลการประพฤติตนสม่าเสมอญาติพี่น้องทุกคนเนี่ย ชอบความเป็นธรรมเสมอกันทั่วหน้านะีมีชาติตะกูลยศสาบรรดาศักยศทรัพ บ, บริวารคุณอวุธวัยวุฒิเนี่ยนะสติปัญญาเนะี่ยหวงแหนคอยรักษาเกียรติซึ่งกันและกันไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่นว่างั้นน่ไม่อยากให้ใครมาดูหมงงิ่ น, นะหนเหยียดหยามลบล้างให้เสื่อมเสียดังนั้นนะ่ทุกคนจึงควรประพฤติวางตนให้กับสมฐานนะก็เรียกเคารพกันเอ็นดูซึ่งกันและกัน ย่าแสดงอาการเยื่อหยิงดูหมิ่นดูแคลนนว่าเป็นญาติกันถ้าเดี๋ยวมันโกรธกันง่ายอาการเยื่อยิงดูหมิ่นดูแคลนเป็นทางเสื่อมพระพุทธญา้าตรัสไว้ในปราภวสูตรบอกว่าผู้ใดยิงเพราะมีชาติตระกูลสูงหยิ่งเพราะมีทรัพย์มากกับดูหมิ่นญาติของตอนนั่นคือทางแห่งความเสื่อมของบุคคลนั้นแล้วก็บอกว่าควรยกย่องเชิดชู เหมือนกับการยกย่องเชิดชูตวเองเขาบอกว่าถ้าอยู่กับญาติเนี่ยก็ให้เหมือนกับรักรักตนเองสานึกในความรู้สึกของญาติให้เหมือนกับความรู้สึกของตนเองเมื่อญาติได้รับการยกย่องเชิดชูแล้วก็จะยกย่องตอบถ้าเราตีเตียนเขาเขาก็จะตีเตียนเราอันนี้ในทํานองเดียวกันเนี่มันเหมือนอะไรเหมือนกาฝุ่นแล้วซัดไปทวนลมนีมันก็มันก็ปลิวเข้าตาเข้าหน้าเรา ลักษณะของการยกย่องเชื่อโชวก็คือหนึ่งมองกันในแง่ดีไม่ยากเลยนะถ้าเราอยากจะยกย่องเชื่อโชวใครเนี่ยข้อเสียมันมีด้วยกันทั้งนั้นเราก็มองแง่ดีเข้าไว้นี่ออเออพอมองแง่ดีปุ๊บใจมันจะสดชื่นประการที่สองประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันประการที่สามก็คือช่วยส่งเสริมความดีของกันและกันแล้วก็เอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันแค่นี้ก็ได้ก็ได้ผลนะเรบอกว่า เออไอ น, นี้มันก็ดีแต่แหมมันทำเสียมาซะเยอะอะไรนิ่ใจมันหดใช่ไเว้นไว้แต่ว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่มองคำสอนได้ชัดเจนแล้วก็สามารถมองตามความเป็นจริงได้ <S <S ทั้นั้นการอยู่ร่วมการเป็นหมู่คณะการมีเพืงผู้ใหญ่และมีทั้งผู้น้อยเป็นต้นเหล่านี้ก็คือว่าก็สามก็มีการประพฤติผิดกันบ้างถูกกันบ้างเป็นต้นเหล่านี้การแสดงกิริยาวาจาสุภาพการประพฤต ตนสม่ำเสมอก็จึงจัดว่าเป็นเป็นมงคลก็บอกว่าการจะไปเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ก็คือให้เกิดความนิยมรักความเคารพนับถือกันอย่างมั่นคงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ญาติแล้วก็อนุเคราะห์กิจการด้วยเมตตากรุณามีกิจการดำเนินไปสะดวกปราศจากอุปสรรคเป็นคนเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมแล้วก็ให้เกิดความสุขเรียบร้อย ลักษณะอย่างนี้เ็าเรียกว่าเป็นมงคลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลสูงสุดนี่คือการส่งข้อยาิเนี่ยก็ไปวิจัยไปวิจารณาตามความเหมาะสมตรงมงคลข้อที่18กแเาเรียกว่าการงานที่ไม่มีโทษการงานไม่อากลอย่างหนึ่งอันนั้นคือข้างค้างอันนี้การงานไม่มีโทษทีนี้การงานไม่มีโทษเนี่ย อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าทุกคนอยู่ก็ต้องทำงานการทำงานก็เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตเนี่ยนการจะอยู่สุขสำราญทีนี้การเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งทีนี้การงานทางกายกายกรรมการงานทางวาจาเรียกว่ า, วาจีกรรมการงานทางใจเรียกว่ามโนกรรมเนี่ยนะ อะไรเขาเรียกว่าอนนวัชกรรมคือการงานที่ไม่มีโทษอัตถกถาจารย์นั่นกล่าวไว้ในมงคลลสูตรว่ากรรมคือการสมาทานอุโบสถการขวนขวายในการปลูกสร้างละเมะไม้ให้เป็นที่ร่มรื่นการสร้างสะพานเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าการงานที่ไม่มีโทษเขาเรียกว่าอนนวัชกรรมทีนี้การรักษาสิ่นปดที่เขาเรียกว่าอุโบสถกรรมเนี่ย อุโบสถกรรมอันเป็นข้อปฏิบัติของบุคคลผู้มีความตั้งใจทําความดีให้สูงยิ่งขึ้นคือว่าปกติคนเราก็ถือศีล5ใช่ไหมถ้าสูงกว่านั้นเป็นศีล8และได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์ก็คือว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์เบียดเบียนเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการบริโภคกรรมคุณเว้นจากการพูดผิดหลอกลวงเว้นจากการดื่มสุราเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการเว้นจากการฟ้อนล้ำ เว้นจากการนอนในที่สูงเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกอุโบสถศีลก็ศีล8ทั้งแปประการนี้เป็นเครื่องป้องกันเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตนและคนอื่นช่วยคุ้มครองรักษาให้สงบให้พ อ, องให้องสปราศจากกิเลสเครื่องเศ้าหมองต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอาณวชกรรมเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีโทษ เสริมชีวิตให้เป็นสุขบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุก์ได้ด้วยเนี่อีกประการหนึ่งก็คือวายาวัจกรรมศาสตร์นี้ได้ยินบ่อยนะวายาวัจจาตามวัดต่างๆเนี่ยเขาจะมีวายาวัจกรไอ้วัยาวัจกรเนี่ยเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะไม่ใช่ปัจจุบันนี้ยเขาจะตั้งย้มผู้ชายนะไม่ใช่ที่จริงโย้มผู้หญิงก็เป็นนคําว่าวายาวัจกรเนี่ยก็แปลว่า การขวนขวายช่วยเหลือในกิจการของคนอื่นก็เรียกวิยาวัจกรรมหนึ่งนึงแต่มันทําด้วยมือก็เรียกวัยาวัจกรใช่ช่วยคนกว่าที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณและเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าิยาวัจกรรมหนึ่งกิจการที่เป็นบุญกุศลเมื่อเราทราบข่าวว่าเพื่อนบ้านญ่านเดียวกันก็จะทําบุญต่างๆก็ตั้งใจขวนขวายเนี่ยนะ งานบุญกุศลตามกําลังของตนตลอดจนการขวนขวายอํานวยความสะดวกให้แก่พระอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าวาัดปฏิบัติเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวยวัจจ์ประการต่อมาคือว่ากิจการที่เป็นคุณเช่นขวนขวายปฏิบัติรักษาท่านผู้มีอุปการะคุณดูแลพ่อแม่อุปชาอาจารย์เป็นต้นในเวลาที่ท่านเจ็บป่วยนะอันนี้เขาเรียกเป็นวิยาวจญกรรมเหมือนกัน ประการที่สามก็กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เมื่อบ้านหรือเมื่อเพื่อนบ้านญ่านมิตรมีธุระการงานทําตนให้เป็นประโยชน์แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่นี่เป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งก็คือการปลูกต้นไม้ไว้ตามที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นอนาวัชกรรมแต่ไปปลูกที่รอนใครมากก็ไม่ค่ได้ต้องดูด้วยไปที่ไหนก็กล้ามไม้ไปไปนหน้าฝนก็ ปลูกไปทั่วเป็นวิยวยาศากรรมเนี่ยใช่ไหมเห็นตรงไหนร่องๆปลกปูกเองช่วยกันอันนี้เป็นเป็นการงานที่ไม่มีโทษเป็นอุทยานเป็นอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเพื่อทำให้ความสวยงามเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วทำธรรมชาติที่ดีแล้วคนที่เข้าไปอาศัยร่มก็จิตใจก็กดีกรรมในลักษณะอย่างเนี้ยพระโพธิสัตว์ทมามาเมนะื่งเน่ นั่นไปที่ไหนก็ได้รับความร่มเย็ยนมีแต่คนต้อนรับเนี่ยคนที่ทำกรรมประเภทนี้คือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้คนอื่นเ็ามีความสุขอย่างเช่นปลูกตามทวนนุนทางปลูกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอ ว, วอวัยวยวิรญาณด้วยนั่นเองแต่แต่ต้องดูเจดนาด้วยนีไม่ใช่หาเสียงนยถ้าปลูกแล้วต้องประเภทที่ต้องการให้คนเขาเกิดความรื่นเริง บเทหรือว่าเกิดเกิดความสงบสุขได้ความได้เยือกเย็นได้อากาศได้ต่างๆมีจิตคิดอย่างนี้แต่ถ้าบอตอนนี้ได้สองคะแนนได้สามคะแนนอันนี้อันนี้ไม่ได้ต้องต้องให้เป็นกุศลยางการปลูกต้นไม้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและกา ร, รักษาเป็นประโยชน์ประการต่อมาก็คือสร้างสาธารณาสถาน เช่นสะพานเอ่ยน้ำเอ่ยศาลาที่พักสำหรับคนเดินทางโรงพยาบาลสุขศาลาโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่เผาเนื้อสร้างถ้าเผานี่บาบนี่สร้างประเทศไทยนีย่เป็นเป็นค่านิยมกันผิดผิดนี่ไม่พอใจอะไรใครเด็กนะเดนี้ก็เผาโรงเรีย น, นยไม่ดีเลยไม่ใช่เด็กนะที่ทำเด็ผู้ใหญ่เท่นั้น เด็กงงนี้แปลก น, นี่เด็กเขาก็คิดนะ่นนะบอกอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าเราเกลดใครไม่พอใจใครจะต้องเผา <c oughs> นี่มันก็ตามเลยเดีเนี้พอโตขึ้นมาก็มันไม่พอใจใครเผาไม่เผ า, เผาตัวหน้าไม่ได้ก็แอบเผาเหมือวุ่นกันใหญ่เลยเนดะิจับไปกันใหญ่ที่จริงเขาสร้างถ้าทางภาษาศาสนาเขาสอนให้สร้างมันเริ่มต้นตแต่ไหก่อนจริงๆไง น, นนะ ไมัยก่อนจริงๆเนี่ยก็ขอของบประมาณขอไงก็ไม่ได้ไงนี่ทํำไงดีเอเผาเผาแล้วได้สร้างใหม่เออมันก็เลยเป็นค่าที่ยอมใหม่ๆเป็นอย่างนี้นะที่แรกมาเลยเนี่ยคือคือเผาโรงเรียนเก่าแล้วได้โรงเรียนใหม่หรือว่าเผาชุมชนแล้วได้ตึกอะไรอย่เงี้ยได้เป็นค่าที่ยอมแปลกๆกันเลยตอนนี้พอเผาทิา้งแล้วได้ตึกตอนนี้เลยไปผิดผิดกันใหญ่แต่จริงๆแล้วท่านสอนให้สร้าง อนวชกรรมที่มาในบาลีและอัตกถาเนี่ยนะท่านสอนบอกว่าอนาวัชกรรมนอกบาลีและกระถามีอีกมากทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยนะงานบางอย่างมีโทษทางกฎหมายบางอย่างไม่มีโทษทางกฎหมายแต่มีโทษทางประเพณีงานบางอย่างไม่มีโทษทั้ ง, าา ง, างทา ง, งกฎหมายและทางประเพณีนะ งานบางอย่างไม่มีโทษทั้งทางกฎหมายทั้งทางาประเธณีทางศีลแต่มีโทษทางธรรมส่วนงานที่ไม่มีโทษทางธรรมมีสัพพุริสธรรมเป็นตัวอย่างเช่นรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนรู้จักเลือกคนทําให้รู้จกกักประพฤติตามเป็นคนดีนี่เป็นอนนาวชกรรมเหมือนกันสรุปความตรงนี้ก็คือว่าอนนาวชกรรมเนี่ย ที่มาในบาลีอาจาัจกราคืออุโบสถกรรมวัยวัชกรรมคือการปลูกต้นไม้การสร้างสาธารณาสถานและกางานอาวัชกรรมนอกบาลีและอาจาัจกราก็คือการทำถูกกฎหมายถูกประเพณีถูกศีลธรรมแล้วก็ชอบธรรมช่วยส่งเสริมผู้ปฏิบัติให้ปราศจากโทษแล้วก็ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนบอกว่าอนาวัชกรรมเนี่ย ตรัสว่าเป็นมงคลที่สูงสุดนี่เป็นอย่างนี้การงานที่ไม่มีโทษไอ้ตรงนี้ก็ต้องต้องศึกษาคำสอนให้ดีเนี่ยเพราะว่าการงานที่การงานที่ไม่มีโทษเนี่ยนการประพฤตริรมเนี่ยที่จริงเอ อ, อไปไอ้เกี่ยวกันในเรื่องของอนวัชกรรมอนัตวชานิกรรมา น, นี้เนการงานไม่มีโทษเนี่ย ที่จรงท่านหมายถึงกุศลทั้งหมดชื่อว่าการงานที่ไม่มีโทษการสมาทานการช่วยเหลือการงานผู้อื่นการสร้างอารามการปลูกป่าการสร้างสะพานเป็นต้นดังที่ได้กล่าวทีนี้การงานที่ไม่มีโทษในมงคลข้อนี้ท่านหมายเฉพาะการงานทางกายไม่ได้หมายถึงการงานทางใจคือการเจริญสมถาวิปัสนาไว้ด้วยเพราะท่านแยกการงานทางใจไปแสดงไว้ต่างหากในครอบ พรมยันเนะในคาถาที่หที่สี่ 4. นี่เป็นอย่างนี้ประการต่อไปก็คือการงดเว้นจากบาทในมงคลข้อต่อไปเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปหนึ่งการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในสามประการเนี่ยนะทีนี้การเว้นจากบาปนั้นบาลีใช้คำว่าอารตีวิรตีปาปา อารตีเนี่ยได้แก่ความไม่ยินดีในบาปวิรตีได้แก่ความงดเว้นจากบาปปาปาปปาสระอาสองตัวเนี่ยอ่านว่าปาปาได้แก่บาปบาปในที่นั้นได้แกอ่อากุศลอารตีความไม่ยินดีวิรตีความงดเวน้นถ้าความไม่ยินดีก็คือความไม่ยินดีในบาปความงดเว้นก็ต้องงดเว้นจากบาปใช่ไหม ที่จริงคําว่าอารตีอารตีเนี่ยอา ร, อารตีคํานี้แปลโดยศัพท์เขายิงก็แปลว่าความงดเว้นเรืเ อ, อความไม่ยินดีเท่านั้นเองแต่ต้องต่อไปอีกว่าไม่ยินดีในอะไรก็ต้องไม่ยินดีในบาปเดียวไหมไม่ยินดีในบาปถ้าถ้าไม่ยินดีในกุศลอันนี้เป็นบาปแล้วนะถ้าไปไม่ยินดีในบุญเนี่ยนี่แปลว่าไปยินดีในบาปมีเสียแล้วแล้วก็ งดเว้นก็ต้องงดเว้นจากบาปไม่ใช่งดเว้นจากบุญส่วนปาปาเนี่ยได้แก่อกุศลความไม่ยินดีด้วยใจของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารตีการงดเว้นด้วยกายด้วยอํานาจกายยธวานและการงดเว้นด้วยวาจาด้วยอำนาจแห่งวาจีทวานชื่อว่าวิรตีวิรตีเนี่ยมีอยู่3มอย่างนะวิรตีมีอยู่สมอย่าง สอย่างก็คือว่าสัมปัติวิรัคิคำว่าวิรัติกับคำว่าวิรัติเนียมีความหมายงดเว้นเหมือนกันวิรติและวิรัตเนี่ยอย่างที่สองคือสมาทานวิรัตอย่างที่สมก็ชื่อว่าสมุดเฉทวิรัตก็สอย่างนะมีอะไรสัมปัติวิรัตสมาทานวิรัตแล้วก็สมุดเฉทวิรัต สัมปัตาวิลัต์ได้แก่การงดเว้นในสิ่งที่มาถึงเฉพาะหนะ้าเช่นบางคนเป็นคนมีตระกูลเนี่ยนะเป็นผู้มีตระกูลสูงเนี่ยได้พบสัตว์ที่ควรจะฆ่าได้พบสิ่งของที่ควรจะรักสมมติว่าเราเป็นคนอบรมมาดีเนี่ยนะได้พบหญิงที่สามารถจะล่วงประเวณีได้แต่มาคิดว่าการกระทําเช่นนี้ไม่สมควร ไม่สมควรแก่ตนเลยหรือว่าการกระทําเช่นนี้ไม่สมควรแก่เราที่เกิดในตระกูลสูงก็งดเว้นไม่กระทําการล่วงวัตถุสิ่งเหล่านั้นอันนี้ชื่อว่าสัมปตตาวิรัติเขาแปลว่าการงดเว้นไม่ก้าวล่วงสิ่งที่ควรก้าวล่วงเพราะเกิดความละอายบาปในขณะนั้นอันนี้เป็นสัมปตตาวิรัติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราจะสมาทานศีลออะไรนะแต่เพียงว่านึกถึงว่าเราเนี่ย เป็นคนมีตระกูลเนี่เออเรานี้เป็นคนมีญาติวงสาคนาญาติมากไม่ควรฆ่าไม่ควรรักไม่ควรประพฤติผิดสิ่งอย่างเงี้นะเกิดความละอายบาปขึ้นมาก็งดเว้นเฉพาะหน้าเลยเพราะเห็นสิ่งของของนั้นก็งดเว้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวีระส่วนการงดเว้นด้วยอำนาจแห่งการสมาทานศิกขาบทมีการสมาทานสี่ห้าเป็นต้น มายังพันเตวิสง์วิสงเนี่ยตั้งใจสมาทานลักษณะเงี้ต้นตเนี่ยอันนี้เขาเรียกสมาทานวิรัตคือการสมาทานศีลแล้วก็ไม่ก้าวล่วงศีลที่ตนสมาทานไว้เออพอเราสมาทานไว้เบ็ดเสร็จเราไปเจอวัตถุที่จะต้องรักไปเจอวัตถุที่จะต้องฆ่าต้องขโมยเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราก็ไม่ประพฤติละเมิดไม่ล่วงละเมิดเพราะเรานึกถึงที่เราสมาทานศีลไว้อันนี้เขาเรียกว่าสมาทานวิรัต ส่วนสมุชเฉทวิรัสเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับอริยมร์จำเดิมแต่อาริยมร์กเกิดขึ้นนี่ะมีโสดาปฏิมากสกาทาคามีมรรคนาคามีมรรคอาะทั้งเมืคนที่ประพฤติปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะพ้อมมรรคจิตเกิดขึ้นเท่านั้นเลยเขางดเว้นเด็ดขาดเลยเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียเป็นต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเป็นเลย เป็นอัธยาศัยของเขาเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสมุเทเฉทาวิรัตอันนี้ปุถุชนทั่วไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ฐานะ น, นี้เหตุที่ยังไม่ได้ฐานะ น, นี้ก็เพราะว่ายังไม่ได้สมาทานยังยังไม่ได้บรรลุส่วนว่าบาปนั้นได้แก่อกุโลรธรรมทุกชนิดเนี่ยก็มีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นทีนี้ท่าน็ยกตัวอย่างบอกว่า สัมปตาวิรัตสมาทานวิรัติสมุเฉวิรัติเนี่ยเรายกตัวอย่างการงดเว้นจากบาปเป็นมงคลอย่างไรบุคคลผู้ประกอบไปด้วยสัมปตาวิรัสสมาทานวิรัติและสมุเฉทวิรัติทั้งสามประการย่อมประสบความสบความสุขกายความสบายใจเนเพราะเหตุที่งดเว้นจากสิ่งที่ควรงดเว้น ทีนี้ว่าการกระทำสิ่งที่ควรกระทำเพื่อเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นเหล่านี้สรุปความตรงนี้ก็คือว่าสัมปตาวิรัสี่ยงดเว้นจากบาปการกระทำบาปแม้มีได้สมาทานแต่งดเว้นบาปที่มาถึงและเมื่อมีโอกาสกระทำบาปก็ไม่ทำานี้ส่วนสมาทานวิลัสร์งดเว้นจากบาปเพราะตั้งใจไว้ ส่วนสมุชเรทวิลัตเนี่ยอันนี้เป็นการงดเว้นโดยโดยเด็ดขาดนี่เป็นปลยลักษณะอย่างนี้นะอันนี้เป็นมงคลที่เก้าแล้วประการต่อไปก็คือว่ามงคลข้อที่ยี่สิบสรวมจากการดื่มน้ำเมานี่ธรรมศึกษามงคลในข้อนี้ก็แปลน้าเมานะมาจากบาลีว่ามัชะขเขาแปลว่าของเมาเนีย มัชาเนี่ยการสรวมจากดื่มน้ำเมาในข้อนี้มุ่งหมายกวดเว้นจากการดื่มสุราและเมลายนที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ต้องไปขยายคำว่าน้ำเมาเดี๋ยวพูดเรื่องเล่าในวันนี้ อาคันธมนทรานุโมโชหิตมังกรมุขมณฑัลโมโชหิตมังกรมุขมณฑัลโมโชหิตมังกรมุขมณฑัลโมอาเซวนาชบาลานุโมปัญญาณุชเซว เยตัมมังกลมุตตมัมเยตัมมังกลมุตตมั l เยตัมมังก b มุตตมัมปัจจ o โรภเดชวาสุโฉภูโงชะกัปัญธาอัปตะสัมมาห ตัมมังกรัมโอตัมเอตัมมังกรัมโอตัมบาห์สัจฉิปิพันชะบินโยชัสตุติขิตาห์จสุตาชยาม พระนักูลาสัมมั a ตาเยตัมมังก t มุตตมเยตัมมังกลมุตตมเยตัมมังกลมุตตมอาณาจักรธรรมเฉลียาชนาตตาณาจักรธรรมพระน นันท์มังกรนูทร์ธรรมเหตุธรรมมังกรโมทรมเหตุธร้าพระเจ้าพานาชสัญญามุพ นิธัมมังกาลโมตัมบาระตุจม t บาทุจทันตุ n ิจักาทันต้ากาเลนะดัม m ะสวาณัมเอตัมंังกาลโมตัมเอตัมมังกาลโมต म ม ท่านाังกรสัตว์นั้นอาลัยนั้นบ क ญมาสักษาเย่ตะนุน ไม่มาเนรศึกขึ้นราษฎรเอตัม เอกา m ังกรโมกขมังเอกามังสมยบเทีย Sarvatho te samantey sam sammanalam samanti sammanalam samanti sammanalam samanti.